บอกให้รู้ได้คำว่ารักอยากบอกใิ่งนักแต่ใจไม่กล้าได้พบเมตคุณเป็นบุญหรือวาสนาเพียงแค่สุตาผ่าใจพังเพืออยากบอกให้รู้ได้คำว่ารักอยากบอกยิ่งนักว่ารัก สี่ห้องหัวใจมีใครเสนอขอมาบอกเธอพูเป็นดวงจันทร์เฝ้าเพลิงเฝ้าฟังรำพันหัวใจที่ถึงการดาเขากินไม่ได้ย่ังหลับสาหยน ขอกท้องมาเลยที่ถึงจดใจจะขาดนอนรอ้องอยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักแค่เพียงพบพ้า ก, ก็รักวันออต่อเรักพิงจากใจไม่ใช่รักนอนที่ถึงบางห้องจะนอนนั้นเงิน่น เศ้าฟังรังผั้งหวงฟังคิดถึงการรัากเข้ากินไม่ได้อย่าหลับตานอนอทอดท้อนอาไรคิดถึงจะใจจะขาดคนรออยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักแอบเพียงขอพักก็รัก เราทิ้งจากใจไม่ใช่หลอกนอนคิดถึงบางห้องจะนอนน้ำเงินเราทิ้งจากใจไม่ใช่หลอกนอนคิดถึงบางนอนตอดนอนหลับ